ผมยาวเ้ามวยเท่าไรยังไงผมันก็ไม่รักยังไงก็ไม่สนผมยาวขาสวยเท่าไรให้ตายมันก็ไม่รักให้ตายก็ไม่สนไม่ใช่ไม่ถูกสเปกเหมือนใครไม่ใช่ว่าไม่ยากมือ ให้ตาย ก, ก็ไม่รักให้ตายก็ไม่สนไม่ใช่ว่าเธอนีสายไม่ดีรอไม่ใช่ว่ากลัวจะรักแล้วโดนหลอกแต่อยากจะบอกว่าผมมีใครอยู่แล้วเขาไม่ใช่คนเซ็กซี่มีน้ำมี